พระภาคตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุติดพันอยู่ความพอใจในภพมุ่งหวังกรรมในการภายหลังหรือในการก่อนปรารถนากรรมเหล่านี้และกรรมที่มีอยู่ก่อนย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากและทําให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยคําว่ามีความปรารถนาเป็นต้นเหตุติดพันอยู่กับความพอใจในภพอธิบายว่า ปัญหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความหื่นความหื่นกระหายความข้องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่ทําให้พลุกพล่านธรรมชาติที่หลอกลวง ธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีายธรรมชาติที่กำทราบใจธรรมชาติที่ซ่านไปธรรมชาติดุดเส้นได้ธรรมชาติที่แผลไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนความคนึงหาตันหาที่นำพาไปสู่พบตันหาดุดป่าตันหาดุดป่าทึบความเชยชิด ความเยื <necessary. S 2> grown, gros, the the ่อใยความห่วงใยความผูกพันความหวังภิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในผดทพะความหวังในลาบความหวังในทรัพย์ความหวังในบุตรความหวังในชีวิตธรรมชาติที่กระซิบธรรมชาติที่กระซิบบ่อยๆธรรมชาติที่กระซิบยิ่ง ความกระสิบกริยาที่กระสิบภาวะที่กระสิบความละโมบกลุก่ยยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติที่ทาให้วันไหวภาวะที่คร้แต่อารมณ์ดีๆความกําหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกริยาที่ติดใจความปรารถนาความใฝ่หาความหมายปองกลามตันหาภาวะตันหา วิภวะตัณหาตัณหาในรูปประพบตัณหาในอรูปปพบตัณหาในนิโรธรูปประตัณหาสถัธตัณหาคันทตัณหารสะตัณหาโภธภตัณหาธรรมตัณหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวอนนิวอ์เครื่องปิดบังเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัยปริยุทธาน ตันหาดุดเถาวันความปรารถนาวัตถุอย่างต่างๆรากเงาแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกแดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมานเบ็ดแห่งมานวิสัยแห่งมานตันหาดุดแม่น้ําตันหาดุดตาข่ายตันหาดุดโซ่ตรวนตันหาดุดสมุดอภิชาอคุศนลมูลคือโลภะคำว่ามีความปรารถนาเป็นต้นเหตุได้แก่ มีความปรารถนาเป็นต้นเหตุคือมีความปรารถนาเป็นสาเหตุม se <A? Okay. S 2> ีความปรารถนาเป็นปัจจัยมีความปรารถนาเป็นเหตุมีความปรารถนาเป็นแดนเกิดรวมความว่ามีความปรารถนาเป็นต้นเหตุคำว่าติดพันอยู่กับความพอใจในภพอธิบายว่าความพอใจในภพอย่างเดียวคือสุขเวทนาความพอใจในภพสองอย่างคือ 1>, 1. สุขเวทนาสองวัตถุที่น่าปรารถนาความพอใจในภพสามอย่างคือหนึ่งความเป็นหนุ่มสาวสองความไม่มีโรคสชีวิตความพอใจในภพสี่อย่างคือหนึ่งลาบสองยศสสันเสริญสสุขความพอใจในภพห้าอย่างคือหนึ่งรูปที่น่าพอใจ 2. เสียงที่น่าพอใจสกลิ่นที่น่าพอใจสี่รสที่น่าพอใจหพธผ nee พะที่น่าพอใจความพอใจในภพหกอย่างคือหนึ women, ่งความสมบูรณ์แห่งตาสองความสมบูรณ์แห่งหูสความสมบูรณ์แห่งจมูกสความสมบูรณ์แห่งลิ้นหความสมบูรณ์แห่งกายหความสมบูรณ์แห่งใจ ผู้ติดพันอยู่กับความพอใจในภพได้แก่ข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันผัวพันในสุขเวทนาในวัตถุที่น่าปรารถนาในความเป็นหนุ่มสาวในความไม่มีโรคในชีวิตในลาบในยศในสรรเสริญในสุขในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่น่าพอใจในความสมบูรณ์แห่งตาหูจมูกลิ้นกาย ข้องคพือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันผัพวพันในความสมบูรณ์แห่งใจรวมความว่ามีความปรารถนาเป็นต้นเหตุติดพันอยู่กับความพอใจในภพคำว่าสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากและทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยอธิบายว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจในภพเหล่านั้นอันสัตว์หลุดพ้นได้ยาก หรือสัตว์ทั้งหลายปลดเปื่องตนได้ยากจากธรรมที่เป็นท um ี่ตั้งแห่งความพอใจในภพนั้นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจในภพเหล่านั้นอันสัตว์หลุดพ้นได้ยากเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาอันสัตว์หลุดพ้นได้ยากคือปลดเปื่องได้ยากทรงตัวได้ยากแก้ออกได้ยากแวบออกได้ยากข้ามได้ยากข้ามพ้นได้ยากก้าวพ้นได้ยากกลับตัวหลีกได้ยาก วัตถุที่น่าปรารถนาความเป็นหนุ่มสาวความไม่มีโรคชีวิตลาบยศสันเสริญสุขรูปที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจกลิ่นที่น่าพอใจรสที่น่าพอใจโพธิภาพที่น่าพอใจความสมบูรณ์แห่งตาความสมบูรณ์แห่งหูความสมบูรณ์แห่งจมูกความสมบูรณ์แห่งลิ้นความสมบูรณ์แห่งกายความสมบูรณ์แห่งใจ อันสัตว์หลุดพ้นได้ยากคือปลดเปลื้องได้ยากทรงตัวได้ยากแคร่ออกได้ยากแวกออกได้ยากข้ามได้ยากข้ามพ้นได้ยากก้าวพ้นได้ยากกลับตัวหลีกได้ยากธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจในภพเหล่านั้นอันสัตว์หลุดพ้นได้ยากเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายปลดเปลื้องตนได้ยากจากธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจในภพนั้นเป็นอย่างไร คือสัตว์ทั้งหลายปลดเปลื้องตนได้ยากคือปลดเปลื้องขึ้นได้ยากทรงตัวได้ยากทรงตัวขึ้นได้ยากยกตัวขึ้นได้ยากยกตัวขึ้นได้ยากอย่างยิ่งแก้ออกได้ยากแวกออกได้ยากข้ามได้ยากข้ามพ้นได้ยากก้าวพ้นได้ยากกลับตัวหลีกได้ยากจากสุขเวทนาจากวัตถุที่น่าปรารถนาจากความเป็นหนุ่มสาวจากความไม่มีโรคจากชีวิต จากลาบจากยศจากสันเสริญจากสุขจากรูปที่น่าพอใจจากเสียงที่น่าพอใจจากกลิ่นที่น่าพอใจจากรสที่น่าพอใจจากผลพระที่น่าพอใจจากความสมบูรณ์แห่งตาจากความสมบูรณ์แห่งหูจากความสมบูรณ์แห่งจมูกจากความสมบูรณ์แห่งลิ้นจากความสมบูรณ์แห่งกายปลดเรื่องตนได้ยากเคือปลดเรื่องขึ้นได้ยาก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 สัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากคําว่าทําให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยอธิบายว่าสัตว์เหล่านั้นตนเองก็จมดิ่งอยู่จึงไม่สามารถฉุดร้งคนอื่นที่จมดิ่งอยู่แล้วขึ้นมาได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจุนทะพ่อที่บุคคลซึ่งตนเองก็จมดิ่งอยู่ จากฉุดปร้างผู้อื่นที่จมดิ่งอยู่แล้วขึ้นมาได้เป็นไปไม่ได้เลยจุนทะข้อที่บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมยังไม่ได้ดับกิเลส ด, ด้วยตนเองจากฝึกฝนอบรมผู้อื่นทำผู้อื่นให้ดับกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งไม่มีใครอื่นที่จะทำให้สัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นได้ถ้าสัตว์เหล่านั้นจะพึงหลุดพ้นได้สัตว์เหล่านั้นเมื่อปฏิบัติชอบปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติไม่เป็นฆาสึกปฏิบัติเอื้อประโยชน์ปฏิบัติทำรรถูกต้องตามหลักธรรมด้วยตนเองก็จะพึงหลุดพ้นได้ด้วยเรี่ยวแรงด้วยกำลังด้วยความภาคเพียรด้วยความบากบัน่นด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกาลังของบุรุษ ด้วยความภาคเพียงของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษของตนเองเท่านั้นสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโทตกะเราไม่สามารถปุดเรื่องใครๆที่มีความสงสัยในโลกได้แต่เธอเมื่อรู้แจ้งทำอันประเสริฐก็จะข้ามโอคะนีได้เองด้วยประการฉนี้ สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าทําให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตนทําชั่วเองก็เจ้ามองเองไม่ทําชั่วก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าทําให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้บ้าง สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าฉันนั้นเหมือนกันแหละพราหมณ์นิพพานมีอยู่ทางไปนิพพานมีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็มือเป็นเช่นนี้สาวกที่เราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสําเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกก็ไม่สําเร็จในเรื่องนี้เราจะทําอย่างไรได้ตถาคต ก็เป็นแต่ผู้บอกทางพระพุทธเจ้าก็เพียงบอกทางให้ผู้ที่ปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะพึงหลุดพ้นได้สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยอย่างนี้บ้างรวมความว่าสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากและทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยคำว่ามุ่งหวังกรมในการภายหลังหรือในการก่อนอธิบายว่า อนาคตตรัสเรียกว่าในการภายหลังอดีตตรัสเรียกว่าในการก่อนอีกใ น, นหนึ่งอนาคตใกล้อดีตก็ดีปัจจุบันใกล้อดีตก็ดีตรัสเรียกว่าในการภายหลังอดีตใกล้อนาคตก็ดีปัจปจุบันใกล้อนาคตก็ดีตรัสเรียกว่าในการก่อนบุคคลทำความมุ่งหวังกามในการก่อนอย่างไร คือบุคคลย่อมหวนระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นว่าในอดีตอันยาวนานเราได้มีรูปอย่างนี้มาแล้วได้มีเวทนาอย่างนี้มาแล้วได้มีสัญญาอย่างนี้มาแล้วได้มีสังขารอย่างนี้มาแล้วบุคคลย่อมหวนระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นว่าในอดีตอันยาวนานเราได้มีวิญญาณอย่างนี้มาแล้วบุคคลจึงชื่อว่า ทำความมุ่งหวังกลามในการก่อนเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลมีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะในอารมณ์นั้นว่าในอดีตอันยาวนานเราได้มีตาอย่างนี้ได้เห็นรูปอย่างนี้เพราะมีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะเขาจึงเพลิด เ, เ, เ, เพลินกับอารมณ์นั้นเมื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นบุคคลจึงชื่อว่าทำความมุ่งหวังกลามในการก่อนอย่างนี้บ้าง ได้มีหูอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ได้มีจมูกอย่างนี้ได้กลิ่นอย่างนี้ได้มีลิ้นอย่างนี้ได้รู้รสอย่างนี้ได้มีกายอย่างนี้รู้สึกพัสสะอย่างนี้มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะในอารมณ์นั้นว่าในอดีตอันยาวนานเราได้มีใจอย่างนี้รู้ธรรมารมอย่างนี้เพราะมีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะเขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้น เมื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นบุคคลจึงชื่อว่าทำความมุ่งหวังกรามในการก่อนเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลยินดีมุ่งหวังถึงความปลื้มใจด้วยการหัวเราะพูดจาเล่นหัวกรรมตุคามในการก่อนบุคคลจึงชื่อว่าทำความมุ่งหวังกรามในการก่อนเป็นอย่างนี้บ้างบุคคลทำความมุ่งหวังกรามในการภายหลังอย่างไร คือบุคคลตามระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นว่าในอนาคตอันยาวนานเราพึงมีรูปอย่างนี้พึงมีเวทนาอย่างนี้พึงมีสัญญาอย่างนี้พึงมีสังขารอย่างนี้บุคคลตามระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นว่าในอนาคตอันยาวนานเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้บุคคลจึงชื่อว่าทำความมุ่งหวังกามในการภายหลังเป็นอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งบุคคลตั้งจิตเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตอันยาวนานของเราพึงมีตาอย่างนี้เห็นรูปอย่างนี้เพราะมีการตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นเมื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นบุคคลจึงชื่อว่าทำความมุ่งหวังการในการภายหลังอย่างนี้บ้างพึงมีหูอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ พึงมีจมูกอย่างนี้ได้กลิ่นอย่างนี้พึงมีลิ้นอย่างนี้รู้รสอย่างนี้พึงมีกายอย่างนี้รู้สึกผัสจะอย่างนี้บุคคลตั้งจิตเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตอันยาวนานของเราพึงมีใจอย่างนี้รู้ธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะมีการตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นเมื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้น บุคคลจึงชื่อว่าทำความมุ่งหวังกลามในการภายหลังเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลตั้งจิตเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ยังไม่ได้ว่าด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจร น, น้เราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งเพราะการตั้งจิตเป็นปัจจัยเขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นเมื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นบุคคลจึงชื่อว่า ทำความมุ่งหวังกลามในการภายหลังเป็นอย่างนี้บ้างรวมความว่ามุ่งหวังกลามในการภายหลังหรือในการก่อนคําว่าปรารถนากลามเหล่านี้ในคําว่าปรารถนากลามเหล่านี้และกลามที่มีอยู่ก่อนได้แก่ต้องการยินดีปรารถนามุ่งหวังมุ่งหมายกลามคุณห้าที่เป็นปัจจุบัน คำว่าปรารถนากามที่มีอยู่ก่อนแดกแก่ปรารถนาคือครวญหาพร่มหากรรมคุณห้าที่เป็นอดีตรวมความว่าปรารถนาการเหล่านี้และกามที่มีอยู่ก่อนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุติดพันอยู่กับความพอใจในภพมุ่งหวังการในการภายหลังหรือในการก่อน ปราถนาการเหล่านี้และการที่มีอยู่ก่อนย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากและทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลย 9. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จัดเหล่านั้นยินดีขวนขวายรุ่มหลงในกามทั้งหลายเป็นผู้ตกตำ่ำตั้งอยู่ในกรรมที่ผิดประสบทุกข์แล้วจึงคร่ำครวญอยู่ว่าเราจุติจากภพนี้จะเป็นอะไรหนอว่าด้วยกรรมสองอย่างคำว่ายินดีขวนขวายรุ่มห ล, ง, ลงในกรรมทั้งหลายอธิบายว่าคำว่ากรรมได้แก่กรรมสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรม สองกิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามตัณหาตรัสเรียกว่าความยินดีคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอคุศลมูลคือโลภะสัตว์ทั้งหลายกำหนยินดีคือติดใจสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันผัว พ, พันในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกาม ร, รวมความว่า ยินดีในกามทั้งหลายคําว่าขนขวายอธิบายว่าแม้สัตว์ผู้แสวงหาเสาะหาค้นหากามทั้งหลายเที่ยวไปเพื่อกามนั้นมากไปด้วยกามนั้นหนักในกามนั้นเอนไปในกามนั้นโอนไปในกามนั้นโน้มไปในกามนั้นน้อมใจไปในกามนั้นมุ่งกามนั้นเป็นใหญ่ชื่อว่าผู้ขนขวายในกามแม้สัตว์ผู้แสวงหาเสาะหา ค้นหารูปด้วยอำนาจตันหาเสียงกลิ่นรสผู้สแสวงหาเสาะหาค้นหาผดดับพะด้วยอำนาจตันหาเที่ยวไปเพื่อกามนั้นมากไปด้วยกามนั้นหนักในกามนั้นเองไปในกามนั้นโอนไปในกามนั้นโน้มไปในกามนั้นน้อมใจไปในกามนั้นมุ่งกามนั้นเป็นใหญ่ชื่อว่าผู้ขนขวายในกาม แม้สัตว์ผู้ได้เฉพาะรูปด้วยอำนาจตันหาเสียงกลิ่นรสผู้ได้เฉพาะโพธิภะด้วยอำนาจตันหาเที่ยวไปเพื่อกามนั้นมากไปด้วยกามนั้นหนักในกามนั้นเอ็นไปในกามนั้นโอนไปในกามนั้นโน้มไปในกามนั้นน้อมใจไปในกามนั้นมุ่งกามนั้นเป็นใหญ่ชื่อว่าผู้ขนขวายในกามแม้สัตว์ผู้บริโภครูปด้วยอำนาจตัหา เสียงกลิ่นรสผู้บริโภคผลพระด้วยอำนาจตันหาเที่ยวไปเพื่อกรามนั้นมากไปด้วยกรามนั้นหนักในกรามนั้นเอนไปในกรามนั้นโอนไปในกรามนั้นโน้มไปในกรามนั้นน้อมใจไปในกรามนั้นมุ่งกรามนั้นเป็นใหญ่ชื่อว่าผู้ขวนขวายในกรามเปรียบเหมือนสัตว์ผู้ขอการทะเลาะชื่อว่าผู้ขนขวายในการทะเลาะ ผู้ทำการงานชื่อว่าผู้ขนขวายในการทำงานผู้เที่ยวไปในโคจรชื่อว่าผู้ขนขวายในโคจรผู้เจริญชาญชื่อว่าผู้ขนขวายในชาญฉันใดแม้สัตว์ผู้แสวงหาเสาะหาค้นหากรามทั้งหลายเที่ยวไปเพื่อกรามนั้นมากไปด้วยกรามนั้นหนักในกรามนั้นเอ็งไปในกรามนั้นโอนไปในกรามนั้นโน้มไปในกรามนั้น น้อมใจไปในกามนั้นมุ่งกามนั้นเป็นใหญ่ชื่อว่าผู้ขนขวายในกามแม้สัตผ pues. ู้บริโภครูปด้วยอำนาจตันหาเสียงกลิ่นรสผู้บริโภคผลพระด้วยอำนาจตันหาเที่ยวไปเพื่อกามนั้นมากไปด้วยกามนั้นหนักในกามนั้นเอนไปในกามนั้นโอนไปในกามนั้นโน้มไปในกามนั้นน้อมใจไปในกามนั้นมุ่งกามนั้นเป็นใหญ่ ชื่อว่าผู้ขนขวายใเนก่รามฉันนั้นเหมือนกันคำว่าลุ่มหลงอธิบายว่าโดยมากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมหลงลุ่มหลงหลงงมงายในกามคุณห้าเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้หลงลุ่มหลงหล ง, งงมงายเพื่อถูกอวิชาทำให้มืดบอดหุ้มหอ่อโอบล้อมห้อมล้อมครอบคลุมปกคลุม บทบางไว้รวมความว่ายินดีขวนขวายลุ่มหลงในการมทั้งหลายคำว่าผู้ตกต่ำในคำว่าเป็นผู้ตกต่ำตั้งอยู่ในกรรมที่ผิดอธิบายว่าแม่ผู้ไปต่ำก็ชื่อว่าผู้ตกต่ำแม้ผู้ตรณีก็ตรัสเรียกว่าผู้ตกต่ำผู้ไม่เอื้อเฟื้อคำคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าผู้ตกต่ําผู้ไปต่ําอย่างไรจึงชื่อว่าผู้ตกต่ําผู้ไปต่ําอธิบายว่าไปสู่นรกไปสู่กาเนิดเดริชานไปสู่เปตตวิสัยรวมความว่าผู้ไปต่ําอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตกต่ําว่าด้วยความตระณีห้าอย่างผู้ตรณีอย่างไรจึงตรัสเรียกว่าผู้ตกต่ํา มัจฉริยะมีห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสมัจฉริยะความตรนีที่อยู่สองปุรลมัจฉริยะความตรนีตระกูลสามลาภมัจฉริยะความตรนีลาบสวรนนมัจฉริยะความตรนีวันณะหธรรมมัจฉริยะความตรนีธรรมความตรณีปริยาที่ตรนีภาวะที่ตรนี ความเห็นแก่ได้ความถีเหนียวความที่จิตเจ็บร้อนในการให้ความมีจิตหวงแหนเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความตรนีอีกในหนึ่งความตรหนีขันก็ดีความตรนีธาตุก็ดีความตรนีอายตนะก็ดีความมุ่งแต่จะได้ก็ดีเรียกว่าความตรนีชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยความตรนีนี้ คือความเป็นผู้ไม่รู้จักถ้อยคำของยาจกเป็นผู้ประมาทผู้ตรณีอย่างนี้ตราบเรียกว่าผู้ตกตำ่ำผู้ไม่เอื้อเฟื้อพระดำรัสคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำพร่มสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างไรจึงชื่อว่าผู้ตกตำ่ำผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่ยอมฟังไม่เงียโสดสดับไม่ตั้งใจเพื่อให้รู้พระดารัส คำที่เป็นแนวทางเทศนาคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่เชื่อฟังไม่ทำตามคำประพฤติฝ่าฝืนเบือนหน้าไปทางอื่นผู้ไม่เอื้อเฟื้อพระดำรัสคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตกต่ำรวมความว่าเป็นผู้ตกต่า คำว่าสัตว์เหล่านั้นตั้งอยู่ในกรรมที่ผิดอธิบายว่าตั้งอยู่คือตั้งมั่นตั้งเฉพาะติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อเกาะติดเกี่ยวพันผัพวพันในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ผิดปาณาติบาศการฆ่าสัตว์อาทินนาทานการลักทรัพย์กาเมสุมิฉาจารการประพฤติผิดในกามมุสาวาศการพูดเท็จ ปิสุนาวาจาวาจาส่อสเสียดภรุสวาจาวาจาหยาบสำผับพลาปะคำพูดเพ้อเจอ้ออภิชาความเพ่งเลองอยากได้ของเขาพยาบาทความคิดปองร้ายมิชาทิฏฐิความเห็นผิดจากทํานองคลองธรมสังขารทั้งหลายกลามคุณห้านิวรห้าในเจตนาในความปรารถนาในความตั้งใจที่ผิดรวมความว่า สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้ตกต่ําตั้งอยู่ในกรรมที่ผิดคําว่าประสบทุกข์แล้วในคําว่าประสบทุกข์แล้วจึงเคร่ําครวญอยู่ได้แก่ประสบทุกข์แล้วคือถึงทุกข์ประจวบ ก, กับทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วถึงมารประจวบ ก, กับมารเข้าถึงมารแล้วถึงมรณะประจบ ก, กับมรณะเข้าถึงมรณะแล้วรวมความว่าประสบทุกข์แล้ว คำว่าคร่ครวญอยู่ได้แก่ร่ำไรรำพันเศร้าโศกลำบากใจคร่ครวญตีอกแพร่เพอถึงความหลงไหลรวมความว่าประสบทุกแล้วจึงแคร่ครวญอยู่คำว่าเราจุติจากภพนี้จะเป็นอะไรหนออธิบายว่าเราจุติจากภพนี้แล้วจะเป็นอะไรหนอคือจกเป็นสัตว์นรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน เกิดในเปตะวิสัยเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่แล่นไปสู่ความสงสัยแล่นไปหาความเครือบแคลงเกิดความไม่แน่ใจย่อมร่ําไรรําพันเศร้าโศกลําบากใจคร่ำครวญตีอกคร่ําเพอถึงความหลงไหลว่าในอนาคตอันยาวนานเราจักมีหรือจักไม่มี ในอนาคตอันยาวนานเราจักเป็นอะไรหรือจักเป็นอย่างไรหรือในอนาคตอันยาวนานเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรอีกรวมความว่าเราจุติจากพกนี้จักเป็นอะไรหนอด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นยินดีขนขววยลุ่มหลงในกรรมทั้งหลายเป็นผู้ตกต่ำตั้งอยู่ในกรรมที่ผิดประสบทุกข์แล้ว จึงคล่อมครวญอยู่ว่าเราจุติจากพบนี้จะเป็นอะไรหนอสิทธิ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงศึกษาในที่นี้ เพิ่งรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ผิดไม่พึงประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกรรมที่ผิดนั้นนักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยว่าด้วยสิกขาสามคำว่าเพราะฉนั้นในคาว่าเพราะฉะนั้ น, น, ะะ น, นสัตว์เกิดเพึ่ศึกษาในที่นี้ได้แก่เพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้น เพราะต้นเหตุนั้นเมื่อเห็นโทษนั้นในกวามทั้งหลายรวมความว่าเพราะฉะนั้นคำว่าพึงศึกษาได้แก่ศิกษาสาคือ 1. อธิศีลสศึกษา 2. อธิจิตตศึกษา 3. าอธิปัญญาศึกษาอธิสีลสศึกษาเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีสำรวมด้วยการสังวรในปาิโมก สมบูรณด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลขันเล็กศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลน้ชื่อว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตลสิกขาเป็นอย่างไร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 เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกได้แล้วเพราะสมณนัตและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุเจตุถชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้ชื่อว่า อาิจิตสิกขาอาิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรเคอพิสูจในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสรศิฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุ ก, ท เ, เ, ก, ทกเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกเธอรู้ตามความเป็นจริงว่า นิทุกขนิโรธความดับทุกข์เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกขนิโรทคาไม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติเครื่องดาเนินไปสู่ความดับทุกข์เธอรู้ตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านิอาสวะสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านิอาสวะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านิอาสวะนิโรธคาม่ีปฏิปทา นี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามเหล่านี้เมื่อสัต์เกิดนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อตั้งสติชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่าพึงศึกษาเพื่อพึงประพฤติเอือเอ้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติคําว่าในที่นี้ได้แก่ในความเห็นนี้ความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ธรรมนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ปาพจน์นี้พรหมจาร์ น, นี้สัตุสานนี้อัตภาพนี้ มนุษยโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าในที่นี้คำว่าสัตว์เกิดได้แก่สัตว์คือนอรชนมนุษย์รวมความว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงศึกษาในที่นี้คำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคำว่าพึงรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ผิดได้แก่ ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่ายังได้อย่างหนึ่งนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าพึงรู้จักว่าเป็นกรรมที่ผิดอธิบายว่าพึงรู้คือพึงรู้ทั่วรู้แจม่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดกายกรรมวจีกรร ม, มนโนกรรมที่ผิดปาณาติบาตอธินนาทาน กาเมสุมิชาจาร์มุสาวาตปิสุนาวาจาพรศวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฐิสังขารทั้งหลายกามคุณห้านิวรห้าเจตนาความปรารถนาความตั้งใจที่ผิดเป็นกรรมที่ผิดคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลก รวมความว่าพึงรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ผิดคำว่าไม่พึงประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกรรมที่ผิดนั้นอธิบายว่าไม่พึงประพฤติเพื่อไม่พึงประพฤติเอื้อเฟือ้อไม่พึงประพฤติเอื้อเฟือ้อโดยชอบไม่พึงชมาทานประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกายกรรมวจีรรกรรมมโนกรรมปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิฉาจาร มุสาวาตปิชุนาวาจาพระศวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิสังขารทั้งหลายการมคุณห้านิวรห้าเจตนาความปรารถนาความตั้งใจที่ผิดรวมความว่าไม่พึงประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกรรมที่ผิดนั้นว่าด้วยชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุสองประการ คำว่าชีวิตในคําว่านักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยได้แก่อายุความดํารงอยู่ความดําดเนินไปความให้ชีวิตดําเนินไปความเคลื่อนไหวความเป็นไปความรักษาความเป็นอยู่ชีวิตตินซีอันหนึ่งชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุสองประการคือ 1. ชีวิตเป็นของน้อยเพราะดารงอยู่ชั่วเวลาเพียงเล็กน้อย 2. ชีวิตเป็นของน้อยเพราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยชีวิตเป็นของน้อยเพราะดำรงอยู่ช่วเวลาเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างไรคือในขณะจิตที่เป็นอดีตชีวิตเป็นอยู่แล้วไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่จากเป็นอยู่ในขณะจิตที่เป็นอนาคตชีวิตจากเป็นอยู่ไม่ใช่กาลังเป็นอยู่ไม่ใช่เป็นอยู่แล้วในขณะจิตที่เป็นปัจจุบันชีวิตกำลังเป็นอยู่ไม่ใช่เป็นอยู่แล้ว ไม่ใช่จักเป็นอยู่สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งปวงเป็นธรรมที่ประกอบเันขึ้นชั่วขณะจิตเดียวขณะย่อมหมุนไปอย่างรวดเร็วเทวดาผู้ดำรงอยู่ได้ตั้งแปดมืนสี่พันกลับก็มิได้ประกอบด้วยจิตสองดวงในขณะจิตเดียวเป็นอยู่ได้ขันลาไดของสัตว์ที่ตายไป หรื อ, อยังดำรงอยู่ในโลกนี้ดับไปแล้วขันเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอย่างเดียวกันดับไปแล้วก็ไม่ได้สืบต่อกันขันที่แตกไปในอดีตอันหาลำดับไม่ได้และขันที่จะแตกไปในอนาคตมีลักษณะไม่ต่างกับขันที่ดับในปัจจุบันจักไม่เกิดด้วยอนาคตขันย่อมดำรงอยู่ด้วยปัจจุบั น, นขันเพราะจิตแตกดับไปสัตว์โลกชื่อว่าตายแล้ว นี้เป็นปรมาถบัญญัติเพราะมีอายตนะหกเป็นปัจจัยขันธ์ทั้งหลายที่แปรไปตามฉันทะย่อมเป็นไปเมื่อขาซ้ายเหมือนน้ำไหลไปตามที่ลุ่มฉะนั้นขันธ์ทั้งหลายถึงการทรงตัวอยู่ไม่ได้แตกไปแล้วกองขันในอนาคตก็ไม่มีส่วนขันที่เกิดแล้วในปัจจุบันก็ดํารงอยู่เหมือนเมล็ดผักกาดบนปลายเลหล็กแหลมฉะนั้นความแตกทําลายแห่งขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ปรากฏอยู่ข้างหน้าขันทั้งหลายที่มีการแตกเป็นธรรมดาดำรงอยู่ไม่ได้รวมกับขันเก่าขันทั้งหลายมาโดยสภาวะที่ไม่ปรากฏแตกทําลายไปแล้วก็ไปสู่สภาวะที่ไม่ปรากฏย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศฉะนั้นชีวิตชื่อว่าเป็นของน้อยเพราะดำรงอยู่ช่วเวลาเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างนี้ ชีวิตเป็นของน้อยเพราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างไรคือชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจเข้าชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจออกชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยมหาภูตรูปชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยอาหารที่กลืนกินชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยไฟธาตุชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยวิญญาณ มูลเหตุกราชกายของสภาวะธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อยบุคคลเหตุของสภาวะธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อยปัจจัยทั้งหลายมีอารมณ์เป็นต้นมีกำลังน้อยแดนเกิดตัณหามีกำลังน้อยธรรมที่เกิดร่วมกันของสภาวะธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อยธรรมที่ประกอบกันอรูปธรรมของสภาวะธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อย ทำที่เกิดพร้อมกันของสภาวะธรรมเหล่านี้มีกำลังน้อยกิเลสเครื่องประกอบตัณหามีกำลังน้อยสภาวะธรรมเหล่านี้แต่ละอย่างมีกำลังน้อยตลอดเวลาสภาวะธรรมเหล่านี้แต่ละอย่างไม่มั่นคงสภาวะธรรมเหล่านี้ต่างก็ทำให้สภาวะธรรมอื่นตกล่วงลงไปเพราะสภาวะธรรมเหล่านี้ต่างก็ไม่มีความต้านทาน สภาวะธรรมเหล่านี้ต่างก็ไม่ดำรงกันและกันอยู่ได้แม้สภาวะธรรมที่ทําให้ธรรมเหล่านี้เกิดก็ไม่มีอันหนึ่งทำไรๆว่าไม่ได้เสื่อมไปเพราะทำไรๆเพราะขันเหล่านี้พึงถึงความแตกดับไปโดยประการทั้งปวงขันเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก่อนแม้เหตุปัจจัยที่เกิดก่อนก็แตกดับไปแล้วในการก่อน ในการไหนไหนคันที่เกิดก่อนและที่เกิดในภายหลังจึงไม่ได้เห็นกันละกันชีวิตชื่อว่าเป็นของน้อยเพราะมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยเป็นอย่างนี้อันหนึ่งเพราะเทียบกับชีวิตของเทวดาชั้นจาตุมหาราชชีวิตของมนุษย์จึงน้อยคือเล็กน้อยนิดหน่อยชั่วขณะเร็วพลันประเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่นานดำรงอยู่ไม่นาน เพราะเทียบกับชีวิตของเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานารดีเทวดาชั้นปรณิ ม, มิตวสวัตดีเพราะเทียบเพียงกับชีวิตของเทวดาชั้นพรหมกายุกาชีวิตของมนุษย์จึงน้อยคือเล็กน้อยนิดหน่อยชั่วขณะเร็วพลันประเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่นานดำรงอยู่ไม่นาน สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกสุทั้งหลายอายุของมนุษย์น้อยจำต้องไปสู่ปรโลกต้องประสบกับความตายที่เข้าใจกันอยู่ควรทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีชีวิตยืนยาวผู้นั้นก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรืออยู่ได้เกินกว่านั้นก็มีน้อย พระผู้มีพระภาคผู้สุคสศาสดาครั้นตรัสวยากรณพาสิทธิ์นี้แล้วจึงตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามนุษย์มีอายุน้อยบุคคลผู้ฉลาดพึงดูมิ่นชีวิตที่น้อยนั้นพึงเร่งประพฤติ ธ, ธรรมเหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นเพราะความตายจะไม่มาถึงไม่มีวันเคินล่วงเลยไปชีวิตก็ใกล้หมดสิ้นไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไป เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยจะแห้งไปฉะนั้นว่าด้วยปัญญาที่เรียกว่าทีคำว่านักปราดกล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยอธิบายว่าชื่อว่านักปราดเพราะมีปัญญาชื่อว่านักปราดเพราะมีปัญญาเครื่องทรงจําชื่อว่านักปราดเพราะสมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจําชื่อว่านักปราดเพราะติเตียนบาป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 ปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางปัญญาเครื่องเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาดุจประตักปัญญาปัญญินีปัญญาพละปัญญาดุจศตราปัญญาดุจปราศาสตร์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาดุจดวงประทีปปัญญาดุจดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิชื่อว่านักปราศเพราะประกอบด้วยปัญญานั้นอีกในหนึ่งเป็นปราศในขันธ์ปราศในธาตุปราศในอายตนะปราศในปฏิจจสมุปบาทปราศในสติปัฏฐานปราศในสัมมาปัฏฐานปราศในอิทธิบาทปราศในอินทรียปราศในพละปราศในพุทธชงปราศในมรรคปราศในผลปราศในนิพพาน นักปราดเหล่านั้นกล่าวเคอพูดแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าชีวิตของมนุษย์จึงน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยชั่วขณะเร็วพลันประเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่นานดำรงอยู่ไม่นานรวมความว่านักปราดกล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงศึกษาในที่นี้